ทีมไหนมาก่อนอคุณสันตินะว่ามาเป็นไงภาวนาเป็นไงดีแล้วทำถูกแล้วแล้วก็มันยังง่ายขึย้นเรื่อยๆทำนี้ง่ายสุดท้ายจะเห็นเลยว่าไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่าจิตมันทําอะไรแล้วเราก็แค่รู้ทันมีคนทั้งหลายนี่จิตอบไปทํางานเราไม่เห็น มันก็เลยไปหาความทุกข์มาจิตมันทําอะไรหล่ะเนี่ถ้าเมาื่อไรสามารถเห็นได้นะว่าไอ้ที่ทํางานอยู่นะกายมันทํางานหรือจิตมันทํางานไม่ใช่เราทํางานนะเห็นตรงนี้เรากลับปฏิบัติอย่างง่ายนิดเดียวเลยจะพูดแบบนักอภิธรรมก็บอกรูปนามมันเคลื่อนไหวทํางานไม่ใช่เราเนี่ยเราทนะําละ ทำอะไรโย hmm. เห็นไหมว่าห้ามมันไม่ได้นี่ดูลงไปเลยห้ามไม่ได้เนั้นไม่ต้องไปพยายามห้ามมันเหมือนเป็นไงรู้ว่าเป็นเงนนะ hmm. ซื้อง่ายจะตาย <c oughs> อ่ะสมโพงว่าไงสมโพง <c oughs> <c oughs> เป็นไงทำไมบอกไม่ถูกเนื้อสมมุติบัญญัติ <c oughs> จิตมันฟุ้งอทำมถะบางัก็มรงนั้นมีแเดียวมันก็ออก่องมาแล้วก็ไปนี่เป็นมหาบัวเคยเล่าท่านก็ไปเป็นช่วงหนึ่งเนี่ยมันเดินปัญญาตลอดเวลามันไม่ยอมหยุดผมพูพุทโธเร็วๆไว้พุทโธพุทโธพุทโธนะแกมันฟุ้งไปมันฟุ้งมันจะหนีคิดในในมันจะหนีคิดนะพามันคิดพุทโธ พูดโทรเร็วๆไว้ใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดูมันจะค่อยๆไหลามาเนิบๆแต่ถ้าจิตเราฟุง้งนี่มันจะมาเร็วมากเลยมารอบพิศทางดูไม่ทันไงต้อมดูอยู่เชิงเขาหรือดูเป็นยอดเขาเลหละตรงเนี้ยตรงเราไม่รู้ครับเพราะไม่ถ มันเกาะอยู่มั น, นก็ไม่เกาะแล้วมันเกาะ เ, เต็มเ็มเลยไม่เห็นนะฮะเขเดี่ยนไปเกให้ปวดศรีษะนี่มันเกาอะไรอยมไม่รู้ใชไมมันประคองความรู้สึกอยู่รู้สึกเปล่าอันนี้เรเห็นนะตั้มนะก็เลิกซะมันไม่ปล่อยมันไม่ยอมปลอ่อยต้มบอกว่าต้้มปล่อยแต่จิตมันไม่ปล่อยมันก็เลยประคองมายางงี้ทื่อ เห็นไหมจิตทื่อๆจิตทื่อๆมันอากูสโรจิตเรียนแล้วนี่ใช่ไหมเรียนอภิธรรมแนละจิตแข็งแข็งจิตหนักหนักซึมซึมทื่อๆดูออกไหมนี่ยอากูสโรจิตให้รู้เลยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ประคองไม่ได้ยึดถืออะไรนะเข้าไปเกาะอากูสโรจิตอยู่แต่ไม่เห็นนะทำไมไม่เห็นถ้าจิตมีโมหะ ไ, ไม่เห็น ที่ยงไหลไปอยู่ในโมหะจูนนะรู้สึกว่ามีความพยายามในการจะแก้ไขนิดน้อยอย่งนะค่ะก็รู้ว่ามันมันก็มีทั้งหลายมีทั้งเสิมมีทั้งไม่เสิมคือที่ถูกมันมีน้อยเพราะว่อ่าถูกต้อ ง, น, องนะที่ถูกนะแทบไม่มีเลยอเอเอห็นอย่างนี้นใช้ได้ละถ้าเมื่อไหรรู้สึกว่าถูกทั้งวันนะอาการหนักแล้ว แต่คือรู้ว่ารู้ว่าเขาแยแสอยู่น้อยค่อยๆปล่อยไปแล้วแต่ไม่ใช่ปล่อยตามยะถากรรมไออก็ตามรู้ตามดูเออรู้ว่าเขาเป็นนะถ้าเมื่อไรอย่างโช่นบางคนความโกรธเกิดขึ้นนะแต่เดิมพอความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางจัดการนแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นคนดีบรรลุอะไรไม่ได้หรอกนี่อีกคนหนึ่งพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นชัดๆเลย มันไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันจะโกรธเพราะเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเห็นอย่างนี้นะมันปล่อยมันสลัด ก, กระเด็นต่อหน้าต่ ต, ตาเลยนี่กว่ามันจะยอมเห็นนะยากค่ะ ท, ท, ที่เห็นคือเห็นโกรธแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเข้าไปจัดการความโกรธแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องเดินแะล้วไม่โกรธนะแล้วเป็นอย่าง น, นี้นยก็ดูไปนะมิแต่เกิดกระดับดูไปเรื่ ถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าไม่มีเราไอ้ที่โกรธนี่จิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธไอ้ที่เดินนี่กายมันเดินรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินจะเห็นเองนี่เห็นด้วยความรู้สึกถ้ารู้สึกอย่างนี้ใจจะปล่อยปล่อยจริงวใจจะโล่ง้เแก็รู้สึกนะครับว่าีเฉยนิ่งมันมะแทกกเดนอยู่าในรเออเห็นแต่ อ่ดีแล้วที่จริงมันกระแทกกระทันคือมันมีผัสสะตลอดเวลาไม่มีอะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะสัญญาเขากระทบใจกระทบกระทบขึ้นมามันยังไม่ได้ดงนเือนะแต่ ร, รนะู้วนะ่ามันกระแทกอหก็ไหวไหวทำงานไปด้วยหลวงพ่อเคยดูสมัยหนึ่งเคยตะลุมบอลกับมันไหวไหวอย่างเนี้ยกระแทกกระแทกนะฟิ้วๆิวิว ทีแรกดูก็สบายนะดูไปนานหลายวันโอ้ยมันไม่เคยหยุดเลยทั้งวันทั้งคืนนะทุกทุกทุกทุกไม่รู้จะทำยังไงเลยไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกธรรมดาหนูพ่อพุธก็นั่งเทศให้ชั่วโมงนะใจไม่ลงอนะ่ะถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกปฏิบัติในขั้นนี้ก็มีแต่ยิบยับยิบยับ วันนึงเหนื่อยสุดขีดเลยโอ้วันนี้ขอไม่ปฏิบัติสักวันเถอะวันนี้ไม่ปฏิบัติจะคล้ายๆเนี้ยขอทำสมถะแล้วมันมันไม่ยอมพอจะคิดเลิกปฏิบัติมันเลิกไม่ได้มันดูอตโนมัติมันไม่ใช่เราจงใจดูเหมือนแต่ก่อนพอหัสไปมันมันมันไม่จงใจแล้วมันอาโนมัติเห็นทั้งวันจนหมดปัญญาเลยไม่รู้จะทำยังไงนะทาสมถะ เนี่ยสมบัตเอาไว้ใช้งานตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองอะไรเงี้ยไลย่ไล่ไล่ไปทำไมต้องช่วยมันนับกรรมฐานโซ่เส้นเดียวเนี่ยมัดไม่ไหวแล้วยังกะลิงเรางใช้โซ่หลายเส้นหน่อยหรือไม่ก็มัดแค่ทีๆนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ ไนงั้นไม่ยอมไม่ยอมเลิกเ็นเจริญสยปัญญาคนอื่นไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะไปวุ่นวายทำกรรสฐานเสียหายหมดนะเวลาเรียนกรรมฐานพร้อมๆกันหลายคนมันยุ่งบอกคนนี้เดี๋ยวอีกคนจงเอาไปทานะเสียเลยคนอื่นไม่เกี่ยวนะเนี่ยเคยลองฝึกยีตีเหมือนกั น, ก น, นะคะนะแต่มันก็เห็นว่าฝึกยีตีมันก็ยีตีทำในมือได้เอาน่าหน่ะยีตีไม่ฟ้อ แล้วก็หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งนับไปด้วยนะนับนับไปเรื่อยเรื่อยนับไปถึงร้อยเลยนะตอนไปเรียนเนี่ยท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีนับถึงสิบเองหนะึ่งไปถึงสิบแล้วก็ลดลงมาหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงแปดอะไรเงี้ยแล้วนหะ่าละเยอะนับยาวๆไปเลยเป็นร้อยๆไปเลย <c oughs> พอจิตมันรวมลงไปแล้วอันนี้พอมันถอยขึ้นมากระทบ ความหมาไหวเนี่ยกระทบก็เปียกขาดเลยเพราะฉะนั้นกําลังไม่พอครูบาอาจารย์วัดตาท่านเทียมบอกเหมือนมีดทื่อมีมีดทื่อๆอยู่เล่มหนึ่งนะอย่างขยันฟันอยู่นั่นอะแป๊กแปกแปกเลยฟันจนตัวเองนุ่มไปเลยนะแต่ถ้าทําสมาธิขึ้นมาเหมือนเราไปรับมีดมาคมปันชับเดียวขาดเลยคนอื่นไม่เกี่ยวนะ ต้องเรียนเป็นคนคนไปว่าไงส่งกันบ้าน ว่ตั้งใจมันไม่ไปรู้หนึ่งไอ้เกิดอยู่ที่มันเกิดอยู่ภาย ใ, นในต้ความตั้งใจมก็เกิดเกิดเกิดอยางพอมันเลิกตั้งใจพวกนี้ก็ไม่มีไม่ตั้งใจเร็ยังมีกว่าอ่อไม่ตั้งใจเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอบายตั้งใจไว้นะจะไม่บรรลุมรรคผลนะแต่ไปสุคติง่ายกว่างั้นไม่ใช่เราไม่ควบคุมจิตใจเลยน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้มันแต่ถ้าอะไรเกิดแล้วตามรู้ตามเห็นอันนี้ดีที่สุด แต่ว่าถ้าปล่อยตามยถากรรมไม่ดีนะ อ, อย่างเกประกาศบอกว่าเอ้ยปล่อยมันดีกว่าต้องปล่อยเราต้องรู้ด้วยนะอย่างงั้นใช้ได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งนะไม่ดีนะอันตรายตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบมเป็นอย่างี้แล้ว <ismo. S 2> มันก้ายกัเกยเ<อ>บเรื่องของนายลกันเออะตามตามเออเอเรื่องของนายเรื่องของนายใช่ใช่นะเรื่องของเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะเดี๋ยวนี้เขาเรื่องของนายใช่ไหมสมัยใหม่ <laughs> ถ้าสมัยโบราณเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องของกูนะถ้าคนโบราณเนียนี้เลือกของนายไม่ใช่เลือกของเราสุภาพหน่อย <laughs> ดูไปอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วง่ายอ่ะส่งกันบ้านไหม <c oughs> การปฏิบัติทำที่แท้จริงนะต้องปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนะ ถ้าเรายัางแยกส่วนว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้เป็นเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเรายัางทําไม่ได้อะอยังยังไม่เข้าใจการปฏิบัติมันต้องอยู่ในชีวิตจริงๆนะเช่นทํางานนะทํางานบ้านหรือทํางานบ้านอยู่โอ้แฟนเราชอบทําบ้านรกชักโมโหแล้วมโหรู้ว่าโมโหอย่างเงี้ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลี้ยงลูกลูกมันโซนโซนหนะงุดหงิดมันแล้วรู้ว่าหงุดหงิด วันนี้ลูกว่าง่ายเรียกมากินข้าวเขามาเรียกมาอาบน้ําก็มารู้สึกน่ารักน่าเอ็นดู ร, ร, รู้ทันงัอนการปฏิบัติจริงๆอยู่ในชีวิตจริงๆอย่าไปแยกส่วนการปฏิบัติกับการดํารงชีวิตออกจากกันแล้วจะง่ายเลยนี่บางคนคิดว่าการปฏิบัติต้องไปทําที่วัดหรือไปเข้าคอร์สอย่างงั้นแย่เลยปีนีงมีไปเข้าคอร์สกี่ครั้งใ น, นเวลาที่เหลืออยู่กับโลกถ้าอยู่กับโลกเราทําไม่ได้นะก็คือทำไม่ได้แลนะ แต่ถ้าอยู่กับโลกเราทําได้นะเข้าคอรสหรือไม่เข้าคอสไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่รู้จักใจลอยไหมนะดีที่บ่อยอย่านานนะส่วนมากใจลอยไม่บ่อยอ่ะใจลอยเวลาครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกคนเลยนะหงพ่อไม่ได้แกล้งว่าใจลอยทุกคนนะหาคนที่รู้สึกตัวจริงๆหายากล่านะริยะเลยขัดแคลนขาดตลาดเนาะ ไม้ก็ดีนะาไม้ดูเล่นๆอย่จริงจังนะเส่าเกรงอย่ากลัวโยยาวจริงอย่างเงี้ยเคาะไปด้วยใจลอยไปด้วยใช้ไม่ได้เคาะไปด้วยห้ามใจลอยไม่ใช้ไม่ได้อีกแต่เคาะไปแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างไยางยงี้ใช้ได้ไเจ้านิพนธะ์มันเค็จหัวตัวเองไม่เคาะเนี่ยเค็จหัวตัวเองนละ้วป๊อกป๊อกอกบอกทำอะไรทํากรรมฐาน อย่าไปทำให้ใครเขาเห็นนะศาสนาเสื่อมหมดมีใครเขาเอาด้วยหรอรู้จักใจลอยอยังของคุณเนี้ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมค่อยๆสังเกตต้้มแปล้งทำอยู่จูนขึ้นมาเดี๋ยวสลํา ล, ลงไปถอยขึ้นรู้สึกตัวไหมงงรู้วงงไม่ต้องคิดมากรู้ไหมกำลังงง ดูเขาไปตรงๆหไหมหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเวลาเราไปดูเข า, ลาแล้วใจเราจะวิ่งไปวิ่งไปหาเขาลืมตัวเราเองงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะลืมตัวเองทั้งวันเลยอือคือถ้าจิตมันทักเองก็ช่างมัน นี่พวกเราบางคนฝึกเนี่อาจารย์มีอุบายต้องแยกก่อนนะว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นอุบายหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่มีบริกรรมซ้ําท่านบอกว่ากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างกายมันเคลื่อนไหวมันยกไม้ยกมือนะมันยกเท้าย่างเท้าอะไรเนี่ยแค่รู้ท่านบอกให้รู้รู้อาการนนี่อาจารย์เรากลัวว่าเราจะไม่รู้อาการอาจารย์เลยให้บริกรรมซ้ํา เช่นยกหนาะย่างเนาะเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองให้รู้อาการเพราะฉนั้นเตือนตัวเองให้รู้อาการถ้ามันรู้อาการชำนิชำนาญแล้วก็ไม่ต้องไปเตือนมันมันรู้เองทันทีที่ขยับมันก็รู้แล้วอย่างนั้นใช้ได้แล้วนี่บางคนติดอุบายนะติดอุบายจนลืมหลักแทนที่จะให้ความสําคัญกับอาการที่ไหวอของกายเนี่ยก็ไปให้ความสําคัญกับบริกรรมมัมเป็นสมถะเฉะนั้นทําไปทําไปบางทีตัวลอยตัวเบา ตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโครงอะไรนี่นั่นี่เรื่องของสมรถะทั้งหมดเลยนี่ไปคิดแล้วทราบไหมฟังแล้วคิดตามรู้สึกไหม้อคิดเยอะกว่าฟังอีกรู้สึกไหมอคอยรู้อย่างนี้นะรู้ทันไปด้วยอ่มันจะหายไปเองมันเป็นภาระนะรู้สึกไหมเป็นภาระมันคล้ายๆคนหัดเดินน่ะ คนไม่สบายมเดินไม่ได้มาหัดเดินมีเหล็กมาหรือมีไม้มาค้ำอ่ะมันเดินไม่คล่องแคล่วหรอกนะพอเดินชำนาญแล้วก็โยนไม้ค้ำทิ้งไปไม่กงืนเกาะแต่ไม้คำ้ำนะหรือที่การทั้งชาติาาเล ย, า ก, า ก, ายกายในกายก็คือกายที่จิตเราไปรู้ในขณะปัจจุบันนี้แหละแต่ละโมเมนต์่ะ อะไรนะเหมือนกันก็คือจิตในปัจจุบันนั่นเองดูลงปัจจุบันไปทีละอันทีละอันมันจะเหมือนว่าจิตนี้มีจำนวนมห า, าศาลเลยแต่เราดูจิตในจิตือดูจิตที่ลงปัจจุบันนี้แหลนะเวลาดูกายในกายก็คือดูกายที่ลงปัจจุบันนีนะ้ถ้าไม่ลงปัจจุบันก็ไม่เรียกว่ากายในกายเอาเป็นกายอดีตกายอนาคตอะไรโน่นไะปรู้ลงปัจจุบันเรื่อยๆไปยัง ม, มีภายในภายนอกอีกนะ มีกายใจกายภายในภายนอกภายในภายนอกก็สําคัญนะแต่ไม่ใช่ตอนหัดเริ่มต้นอ่ะไม่ใช่ไปดูภายนอกให้ดูภายในไว้ให้ดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราไว้ดูกายเนี้ยไม่ใช่ดูกายคนอื่นดูปัจจุบัน นะคำว่าพิจารณาไม่ใช่แปลว่าคิดเราชอบไปเอาคำว่าพิจารณามาแปลว่าคิดพิจารณาตัวนี้คือวิจารใจนะเขาเคลียร์อยู่กับลมนี้โดยไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารณ์เรียกว่าพิจ า, าพจารณานะใจเขาอยู่กับการรู้กายโดยไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้เองเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้ละคอยตามรู้ไปตามรู้เนืองเนือไอ้ตัวนี้กระดุกกระดิกนะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ ากายไม่ใช่แปลว่าร่างกายกายในสติปัฏฐานนะไม่ได้แปลว่าร่างกายนะกายในสติปัฏฐานแปลว่าที่ประชุมที่ประชุมไอเนี่ยเป็นที่ประชุมรู้สึกไหมตัวนี้เป็นที่ประชุมของอะไรของธาตุสีนี่ที่ประชุมทางด้านวัตถุในนี้ก็เป็นที่ประชุมของนามธรรมาด้วยเพราะจิตก็อาศัยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาการรู้กายคือรู้ที่ประชุมรู้ไอ้ก้อนนี้แหละ ซึ่งจิตอาศัยอยู่นั้นมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะไม่ใช่มีแต่กายอันเดียวยกเท้าเห็นแต่เท้าดูท้องเห็นแต่ท้องดูลมหายใจโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจใช้ไม่ได้หรอกมันต้องแยกรูปแยกนามก่อนเห็นเลยร่างกายนี้มันของถูกรู้ถูกดูนี่ ใ, ใจเป็นคนรู้คนดูอยู่ต่างหากต้องหัดไปนะแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้ได้แต่เพ่งกาย เพยงวัตถุแล้ว่านนี้นนกายานุปัสสนาคำว่ากายไม่ใช่ตัวมือตัวเท้าตัวท้องตัวแขนตัวขาอะไรอย่างนั้นคำว่ากายหมายถึงที่ประชุมอันนี้คือที่ประชุมที่ประชุมของอะไรของรูปของนามของขันธ์ห้าประชุมกันอยู่ที่นี่นั้นให้คอยรู้ไอ้ที่ประชุมอันนี้ตัวกายนี่นมอนห้องประชุมนัใจก็อาศัยอยู่ในนี้เห็นไหม ความสุขความทุกข์ก็อาศัยอยู่ในนี้นี้สติจะไปะระลึกรู้กายก็ได้ถ้าเอากายเป็นฐานเอากายเป็นวิหารธรรมก็คือรู้กายเนืองๆไปเห็นจิตอยู่ต่าหากจิตวิ่งอยู่ในนี้เดี๋ยวก็วิ่งออกไปเดี๋ยวก็ไปที่โน้นเดี๋ยวก็ไปที่นี้นะในบ้านของจิตอยู่นี้เห็นไปเรื่อยๆร่า ก, กายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกไอ้ที่เคลื่อนไหวไที่กระดุกกระดิกไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นก้อนธาตุ มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดเนี่ยไม่ว่าเห็นตามความเป็นจริงอย่างรู้กายบอกกายนั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัดนะรู้ชัดหมายถึงรู้ตรงตามความเป็นจริงไว้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยคําแต่ละคําในสติปัฏฐานเนี่ยนะมันเป็นเทคนิคองเทอมันไม่ใช่ภาษาไทยนั่นเราต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปบางคนโมเมไปอธิบายสติปัฏฐาน อธิบายไปมาเป็นสมถะไปหมดหากคนอื่นเข้าลกเข้าคงต้องฝึกกายเนี่ยกว่าจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรากว่าจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราจิตต้องตั้งมั่นเพราะนั้นการรู้กายและเวทนาเนี่ยก่อนจะรู้กายและเวทนาต้องทาสมถะก่อน ทำสมาธิไปเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ไปเห็นใจในี่เป็นคนดูลมหายใจเป็นของถูกดูหายใจแต่อย่างนี้เรื่อยๆนะต่อมาพอเรามารู้ร่างกายเราเห็นร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดูเหัดแยก ร, รูปแยกนาหรือเราหัดดูไปนะหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธพุทโธนี่พุทโธ เ, เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนรู้ต่อมาพอเรามารู้เวทนานะเรานั่งนั่งให้สบาย นะเวทนาก็คือความสุขความสบายทางกายจะนั่งไปนานๆแล้วกายก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่เวทนาที่เป็นสุขหายไปแนละ้วกายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแทนเราจะเห็นเลยว่ากายนี่ก็ถูกรู้เวทนานี่ก็เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนรู้อยู่ทางหะกายแก่ใจกับเวทนาก็แยกออกจากกันเพราะฉนั้นดูกายและเวทนาต้องมีจิตที่ตั้งมั่ง ต้องทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ก่อนอย่างสายท่านโภินกล้าใช้ได้นะดูเวทนาแต่ก่อนจะดูเวทนาทําสมถะก่อนพอใจตั้งมั่นว่ามันจะเห็นในเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเวทนาเป็นอนาาัตตาไม่ใช่เราเวทนาไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะเวทนาเป็นพกุกบังคับมันไม่ได้นะมันจะมามันก็มามันจะไปก็ไปนะ มันทนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าใจเราไม่ไม่ตั้งมั่นพอไปรู้เวทนาเนี่ยจิตใจจะกระสับกระส่ายมันปวดนละ้วโอ้ยครูปวดนะ้วออะไรนะเราปวดไม่ใช่นายปวดนะ้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเป็นนายปวดไม่ใช่เราปวดตามรู้ความคิดใช้ไม่ได้นะไม่อยู่ในสติปัฏฐานไม่ใช่เลยเอ่าอย่างนั้นไม่ อย่างนั้นไม่ใช่ตามรู้ความคิดอย่างนั้นตามรู้ความรู้สึกใช้ได้เช่ น, ะนกําลังกโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นแค่คนรู้คนดูอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปคิดคิดเรื่องนี้คิดเรื่องเนี่ยอีคนนี้มันว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้เรื่องที่คิดอย่างนี้นะไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วไม่ใช่วิปัสนาแล้ว เพราะว่าความคิดเรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญตัติมีปัสจณาต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจอย่างเช่นใจมันคิดสมมุติว่าหนุ่มๆอย่างเงี้ยไปคิดเรื่องต่ารู้ว่ามันไปคิดเรื่องตาวเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นมาก็คิดต่อไปอีกแต่ถ้ารู้ว่าใจแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดอันนี้รู้สภาวะ ค, ความคิดจะดับทันทีค่อยๆเรียนนะยากแต่ถ้าอยากเปลียนให้ง่ายๆก็ง่าย ใครอยากเรียนแบบยากก็ เ, เรียนยากๆไปนะใครอยากเรียนอย่างง่ายก็สอนง่ายๆได้สอนง่ายๆเลยใครเขาชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจไหมใครเขาด่าละวโมโหรู้ว่าโมโหไปนะตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้ไปอย่างเนี้ยรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆใจของเราเปลี่ยนทั้งวันเนี่ยการดูจิตดูใจนะมันเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องทําสมถะก่อน ทำไมดูจิตไม่ต้องทําสมาธิ ก, ก่อนเพราะถ้าจะดูจิตที่มีโลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านขดผูกอะไพวกนี้มันฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยแต่ถ้าเราทําสมาธิ ก, ก่อนนะมันจะไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านให้ดูมันจะไม่มีจิ ต, ท, จจตที่มีกิเลสมันจะมีแต่จิตนิ่งๆดูอะไรก็ไม่ไดนะ้ไม่มีอะไรให้ดูงั้นการดูจิตก็เลยดูไปเลยไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นใครเขด่าแล้วโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหเลย ไม่ใช่พับพับโมโหขึ้นมาพุโทโธพุธโทโธให้หายโมโหก่อนแล้วจะมาดูว่าโมโหเป็นยังไงมันไม่มีโมโหให้ดูงั้นพวกคิดมากพวกชาวบ้านชาวเมืองพวกทิฏฐิจลิตหรือพวกคิดมากพวกปัญญาชนทั้งหลายอย่างพวกเราส่วนใหญ่เนี่ต้องดูจิตเนาะทำสมาธไม่ค่อยไหวหรอก้าทําสมาธไม่ได้ดูกายไม่ค่อยรอดครูบาอาจารย์วัดปา่าดูกายเก่ง้าทําสมาธ ก, กัน พวกเราไม่ได้ทําสมถะอยู่ๆก็จะไปดูเลยยกเท้าย่างเท้านั่งไปเพ่งอย่างหมดเลยแกไปไปเพ่งเท้าก็คือไปทําสมถะนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทําสมถะคิดว่าทํานิพพานะหรือรู้อีริยาบทสื่ยืนเดินนั่งนอ น, น, นก็กลายเป็นเพ่งอีริยาบถไปหมดรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจมนนันไม่ค่อยยอมรู้ให้เป็นปนิพพานใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกลุ่มใจนะกลุ่มใจก็รู้ว่ากลุ่มใจไป